เลือดมองดูฟ้าต้นบนาอ่อนนิ่งนกที่โดนต่อยตามน้ำตกตานาลไม่ยอมมินมีความศรีเปีย่ินตาซ้ำมีค่าเพี่ยนบินไม่ว่าให้เวททองควงชาบินเี้ามีทอเคยมอง ดอกพาเหาเดียวนี้ไม่กล้าจะโมโลถจะแล้วโดน้งาสนาวักย่ไม่คลา้าแต่ฟ้องบอกเจ้าอยู่ชุดุดช้อยเดันละ ล, ลอยลอล้อมผ่าายโน้ยคอยโมไม่แกล้วตัวโม้สุดชรัว โลกแบ่งชาติกันทำตลอดยืมจัดีวลาหลดศน้องเจ้าเลิอยู่ยามดอกฟ้ามารับเท้าอบตาคนฟ้าได้แต่เตะแต่ฝันจมคนยันเฮ้ยวิ่งเมถึงต่งเสาหกหลพาหัวเราเดยอยู่ ลาป้อนดฟาาน้องตาลายดินอยู่ใจรินคุ้มค่าลราชาวชาวอดีวันคนเหยียดยยามกันเคลปัวว่าเพ็่งลืมโง่ลืมรูปจริดินเออเลยบินมึงขวดเล้อจึงหนึ่งที่จีดีเดีแม่อด ตกเม่งชาชันกันตลอีนิมสันดีลาเอน้อโนงเจ้าเลือกอยู่ยามโนฟ้ามาับเจ้าตาฝนเฝ้าได้แล่เตเป่อแต่ไฟมันจมกนยันเ้ยเราเชจึงของสาวอกตาดาวเพียยนนิดนี ลาปนนอกควาค่ะน้ำลาลายลีรีใครเอื้อใจริมคุ้มค่าน้ำตาเราชาวดิวันีคนเบียดยหนกันเพื่อขู่ว่าจำโมาเรือกบุตีีดิมด้วยมมีปวดเนึ่งยจึงเจี่ยมโต๊ะ